น, นี้ก็มีคณะผู้ปฏิบัติจากโรงพยาบาลเสาวให้นะมาสมทบอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อวานนักเรียนครูจากโรงเรียนลุ่งอรุณก็มาอตาตมาก็กล่าวต้อนรับนะดยการพูดถึงข้อความบนแผ่นหินที่เคยมีอยู่ที่วัดเม <ME> ื่อ20กับกว่าปีก่อนนะข้อความนั้น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 สามเณนี้ก็ศึกไปแล้วเมื่อเช้านะก็มีนักปฏิบัติรวมทั้งธรรมชาติสิงสาราศัตร์ทั้งหลายก็รู้แล้วแต่เป็นมิตรของพวกเราแต่ว่ามิติที่เพิ่งรู้จักไม่ได้มีเท่านี้นะที่เมื่อวานนี้ไม่ได้พูดก็ถือว่ามาพูดเพิ่มเติมในเย็นนี้นะิตที่เพิ่งรู้จัก ซึ่งหลอจำนึกไม่ถึงเลยก็ได้ก็คือตัวเรานี่แหละตัวเราเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเรานะแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเป็นมิตรกับตัวเองเท่าไหร่นะเกิดอาการแปลกแยกนะภาษาสมัยใหม่แปลกแยกหรือว่าเหินห่างหมังนเมินกับตัวเองนะ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 รถติดไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าใจเนี่ยของเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปอยู่กับอนาคตนะเวลาที่เรานึกถึงว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึงนั่นแหละนั่นคือการที่ใจไปอยู่กับอนาคตแล้วซึ่งเป็นที่มาของความทุกข์นะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงภะวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยั ง, งยามาไม่ถึงก็คืออนาคต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 มันมีการเปิดเครื่องเปิดแอร์เสียงดังแล้วก็มีรถจอดอยู่ในบ้านเขาก็รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเขาก็เลยรอแดดเปรี้ยงๆไงแต่ระหว่างที่รอเนี่ยเขาก็ไม่ได้รอเปล่าๆเขาร้องเพลงไปด้วยเจ้าของบ้านเนี่ยพอเราได้ยินบุตรปัศณีร้องเพลงก็รู้ว่าเขาคงจะรอจนจะไม่ไปไหนนะจนกว่าเราจะมารับ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 ไปที่บ้านอื่นนะขับรถไปที่ไปส่งจดหมายที่อื่นต่อ2คนนะคนนึงอยู่ในห้องแอร์นะแต่ว่าหงุดหงิดเพราะความร้อนแต่คนนึ่งนะอยู่กลางแดดนะแต่ว่าร้อนแต่กายนะใจเขาไม่ได้ร้อนด้วยเพราะอะไรเขารู้วิธีปลุกใจให้ให้เย็นนะด้วยการร้องเพลงนะโรคร้อน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 พระที่บวชใหม่นี่หน้าตาไม่สเบยเลยนะพี่ชายพามาส่งแล้วพี่ชายก็กลับหลวงพ่อท่านก็นก็แนะนําให้พระบวชใหม่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นหนุ่มนะักการให้เจริญสตินะสร้างจังหวะเดินจงกรมวันที่2เนี่ยแค่วันที่2องเท่า น, นัา้นนะก็ก็มาหาหลวงพ่อนะ ตอนใบบ่ายบอกว่าเขาจะมาขอสึกเขาบอกว่าเนี่ยละบปากเขารับปากพี่ชายมาบวชนะตอนนี้เขาก็บวชแล้วเขาบวชเนี่ยไม่ได้ต้องการมาปฏิบัติตอนที่บวชแล้วแล้วก็จะมาขอสึกพราะเขาไม่ได้มาปฏิบัตนะิหลวงพ่อก็ไม่สึกให้ ก็ให้เขาไปปฏิบัติต่อเขาหายไปสักครู่ใหญ่นะแล้วกลับมาอีกนะยืนกรานจะขอศึกนะหลวงพ่อคำเขียนก็ไม่ยอมนะไม่ยอมศึกให้นะเขาก็บอกเนี่ยเนที่มาบวชเนะี่ยพ่อพี่ชายนะไม่ได้ตั้งใจจะมาบวชเองนะตอนนี้ก็บวช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 พาเขามาหาหลวงพ่อคือจะมาขอสืบ ก, กันนะหลวงพ่อก็ถามก็เลยถามต่อเขาตอบไปว่าเนี่ยเมื่อมีความคิดแล้วเนี่ยมันคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องทําตามความคิดทุกอย่างเลอคนเราเนี่ยถ้าทําตามความคิดทุกอย่างเนี่ยมันไม่แย่หรือนะแ ล, ะล้วหลวงพ่อก็ให้เขาไปปฏิบัติใหม่นะไม่ยอมสึกให้พราหมณกนไม่พอใจนะ ไม่พอใจมากๆเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเช้าตรู่เนี่ยหลวงพ่อก็เดินมาที่ศาลาเนี่ยพอก็เห็นหลวงพ่อก็รีบมาเลยนะแต่ครั้นี้ไม่ได้มาขอศึกนะกลับมากับกราบแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะที่ทักทวงเขาที่อไม่ศึกให้เขาเขาบอกว่าเนี่ยถ้าก็าศึกเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็คงจะเป็นฆาตกรไปละ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 แต่ว่าพอหลวงพ่อทักทวงเข้าไปเขาก็เลยได้สตินะกลับมาคิดแล้วเขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยถ้าเขาทาตามที่เขาคิดเนี่ยมันแย่แน่ๆเลยนอกจากจฆ่าคนตายแล้วตัวเองก็ต้องเดือดร้อนด้วย mm hmm. ก็เลยมาขอบคุณหลวงพ่อที่ทักทวงเขาทำให้เขาได้คิดตกลงเขาก็ไม่ศึกนะแล้วก็บวชอยู่อีกนานทีเดียวเป็นสิบปีนะเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> เห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยนะ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 ก็ทําท่าจะเดินเข้าไปร้านเราแต่เสร็จแล้วก็เบรกห้ามตัวเองไว้ได้เดินไปได้อีกสัก9 29ก็ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกนะ mm hmm. เพื่อนในร้านเรานี่แหละเรียกชวนไปกินเหล้าปกติเนี่ยเขาเดินนะจะเรียกเข้าร้านเหล้าเลยนะเสร็จแล้วก็รู้ทันอะไรว่ารู้ตัวห้ามใจเอาไว้แต่ในใจนิ่งก็มีการเถียงกันนะว่า เ, เพื่อนชวนนะปฏิเสธเขามันน่าเกลียดนะยังไงก็ ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายก็แล้ว ก, กันนะพรุ่งนี้เลิกแน่ๆนะคิดแบบนี้ก็ก็จะเดินเข้าร้านเหล้าแต่ก็ห้ามเอาไว้ได้นะในความสูงเขาเนี่ยร้านเล้ามันแค่คูหาเดียวนะแต่มันยาวมันรู้สึกมันไกลามากเลยมันกว้างมากเลยเดินจริงๆก็แค่ไม่กี่วินาทีก็ผ่านนะแต่ตอนนับสึกมันน า, นานเป็นชั่วโมงเลยแต่สุดท้ายเขาก็ห้ามใจได้สำเร็จนะ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 เพราะความคิดหลายอย่างมันก็เป็นมันก็เป็นการปรุงแต่งของกิเลสมันจะสรรหาเหตุผลมาเพื่อให้เราคล้อยตามมันเฉะนั้นถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะเชื่อนะจะเชื่อความคิดแล้วก็หลงกลอุบายของกิเลสนะกิเลสน่าจะเป็นตัวตันหาโลภอยากเล่าอยากกินเล่าอยากเที่ยวนะอยากสนุกอยากซื้ อ, อยากชอป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 แต่ว่าใหม่ๆนะก็คงจะมีไอความคิดแบบนี้แหละที่มาหลอกมาล่อมามากวนมารังควานเรางั้นคนที่รู้จักตัวเองรู้ทันความคิดนะมันก็จะรู้ว่าเนี่ยแม้กระทั่งความคิดก็ต้องรู้จักทักท้วงมันบ้างสติสําคัญมากในที่ที่ทาให้เรารู้ทันทั้งความคิดแล้วก็ความไม่ไปตกเป็นทาาของมันเอาละคำนี้ก็เพ่งกระทันนินะอ้าวกราบพระ